แสดงว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรู้มันอย่างเดียวนะแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเราเผลอไปจนมีกิเลสแรงๆบางทีก็ต้องใช้สมถะก็ช่วยนะแล้วก็พื้นฐานเลยสมถานเอาไว้ว่าละเราจะไม่ทำผิดศีลอันนี้เป็นตัวกรอบเอาไว้ว่าถ้าเราเผลอแล้วจะไปทำผิดศีลเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ พอเ้ยไม่ได้ไม่ได้บางทีอาจจะต้องใช้สมถะเขากลบเพื่อให้สงบซะก่อนแล้วเดี๋ยวก็เห็นหน้านะมันอีกแหละเห็นหน้ามันอีกก็โกรธขึ้นอีกแต่โกรธใหม่เนี่ยเพิ่งเกิดโกรธเพิ่งเกิดเนี่ยนะมันพอที่จะใช้สติไปดูเห็นความจริงมันได้เห็นความโกรธที่เพิ่งเกิดแล้วมีสติเข้าไปน่นะสติ ก็จะทำให้ความโกรธนั้นดับไปเองโดยที่เราไม่ต้องดับมันไม่ต้องใช้สมถะอะไรก็ช่วยสติเป็นตัวรักษาจิตเอง mm hmm. พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติสัพพัธทธปฏิยาสติจําปรารถนาในทุกๆเรื่อง mm hmm. คําท่านนี่เลือกใช้นะสติจําปรารถนาในทุกๆเรื่องคือแม้ไม่ปรารถนาก็ จำต้องปราถนาเหมือนสร้างโรงแรมสร้างบ้านเนี่ยนะต้องมีที่ดินถ้าไม่มีที่ดินสร้างไม่ได้แม้ไม่อยากจะซื้อที่ดินก็ต้องซื้อไม่อยากจะจ่ายค่าที่ดินก็ต้องมีที่ดินถ้าจะสร้างบ้านต้องมีที่ดินถ้าไม่จ่ายแสดงว่าแม่ยกให้ประมาณนี้คือต้องมนะีสติก็จำเป็น ในทุกๆเรื่องถ้าไม่มีสตินะตอนนั้นเป็นอกุศลทันทีไม่มีความรู้ตัวเพราะนั้นครูบาอาจารย์จึงเน้นให้เรามีความรู้ตัวคือสติจาเป็นถ้าทำสมาธิก่อนมันมีสมาธิบางอย่างไม่มีสตินั่งแล้วเคล้มไ ม, ไม่มีสติได้สมาธิไหมเหมือนได้สมาธิแต่เป็นมิดฉาสมาธิเพราะนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เห็นว่าสาคัญสาหรับชาวพุทธนะ คือสติท่านเน้นตัวสติก่อนคือมีความรู้ตัวรู้ตัวที่ไหนรู้ที่กายและรู้ที่ใจสองอย่างนี้นะแต่ถ้าไปทําความสงบนะจะมีความสงบแบบโลง่งคิดว่าดีเป็นนั่งเคริ้มๆบางทีก็หลับไปเลยแล้วก็คิดว่าดีมันเป็นแค่อะไรอะ่ะแค่ที่พักที่พักแบบว่ามันทุกข์ใจมากมันฟุ้งซ่านมากมันเครียดมากจากการทํางานแล้วก็มาหลับสักพักนึงก็ใช้ได้ แต่ไม่พอแล้วก็ไม่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยสติสำคัญสติจำปรารถนาจำคำนี้เลยนะจำปรารถนาแม่ไม่ปรารถนาก็ต้องทำจาปรารถนาในทุกๆเรื่องถ้าจะมาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะสติจำปรารถนาแม้ไม่ปรารถนาก็ต้องทาทาความรู้ตัวเนี่ยรู้กายรู้ใจ เพราะมันเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่ทำให้มีศีลมีกิเลสขึ้นมาจะทำผิดศีลนะนะมีสติขึ้นมากิเลสดับเพราะทันทีที่มีสติเป็นกุศลตอนมีกิเลสเป็นอกุศลแค่มีสติกิเลสก็ดับกลายเป็นกุศลขึ้นมาทันทีเอาสิ่งที่มันเร็วๆนี่นแหละกลายเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีขึ้นมาเอาอกุศลที่เกิดขึ้นแค่มีสติอกุศลนั้นพลิกกลายเป็นกุศลทันที เรียกว่าแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสแปลงสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีแปลงอกอุศลให้เป็นกุศลได้ด้วยสติแปลงสิ่งที่เรียกว่าจิตมันไหลเคลื่อนไปกลายเป็นจิตตั้งมัน่นแปลงความไม่เป็นกลางให้กลายเป็นความเป็นกลางแปลงความหลงให้มีความรู้ขึ้นมาอันนี้นะจาปราถนานะต้องฝึกนะ พอฝึกได้สติแล้วเนี่ยค่อยค่อยมีโอกาสที่จะมาทำจิตตั้งมั่นค่อยมีโอกาสที่จะมาทำจิตที่เป็นกลางค่อยมีโอกาสที่จะมามีปัญญาขึ้นมา